สิกขาบทที่หถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินโครงกายไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีเดินโครงกายไปในละแวกบ้า น, าคคนาในสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา